วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่27สบเจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง6้าเป็นวันพระวันธรรมสวรนะวันที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้สาธุชนพุทธบ ร, ริษัทผู้ใฝ่ธรรม ได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆที่เกี่ยวกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเรงทองหรือว่าภารกิจที่เกี่ยวกับการแสวงหาแ <c oughs> สวงหาความสุขจากรูปเสียงกิจนพทธะชนิดต่างๆให้หยุดภารกิจเหล่านี้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพื่อที่จะได้เอาเวลานี้ มาพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นให้เจริญให้สูงขึ้นเพราะจิตใจนี้ระดับที่เราเป็นอยู่ขณะนี้เป็นระดับของมนุษย์ซึ่งเป็นระดับกลางๆไม่สูงและก็ไม่ต่ำแต่ก็ยังมีระดับที่สูง ที่ควรที่จะพัฒนาขึ้นไปต่อเพราะว่าจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นและความทุกข์ก็จะมีลดน้อยลงไปตามลาดับการที่จะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปได้นั้นจาเป็นที่จะต้องมีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่สามารถที่จะ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไ ด, โด้โดยเฉพาะระดับที่เหนือระดับเทพขึ้นไปคือระดับพรหมระดับอริยบุคคลการพัฒนาระดับสองระดับนี้จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาให้กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงจะสามารถที่จะยกระดับ จิตใจให้ขึ้นสู่ระดับพรหมระดับพระอริยบุคคลได้ส่วนการพัฒนาจิตใจจากระดับมนุษย์ขึ้นสู่ระดับเทพนั้นสามารถทําได้ในวันธรรมดาวันทํางานก็ทําได้เพราะว่าการยกระดับจากความเป็นมนุษย์ขึ้นสู่การเป็นเทพเป็นเทวดานั้นก็ใช้การทําบุญทำทาน ซึ่งสามารถทำได้และไม่ใช้เวลามากมายเพียงแต่เราบริจาคทรัพย์ของเราไปให้กับผู้อื่นไป mm hmm. เช่นจะในรูปแบบของการทำบุญใส่บาตรก็ได้ mm hmm. จะถวายสังฆทานก็ได้ mm hmm. จะบริจาคเงินเพื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าใช้ใจ่ายต่างๆของวัดที่เรียกว่าหนี้สง ก็ทำได้ง่ายดายแระวรวดเร็วและยิ่งยุคนี้สมัยนี้มีการพัฒนาเรื่องของการธนาคารคือสามารถโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปสู่อีกบัญชีหนึ่งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านทางโทรศัพท์มือถือเช่นถ้าเรา วันนี้ต้องไปทำงานแต่เราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราจากมนุษย์ให้เป็นเทวดาเราก็สามารถทำได้โดยใช้เวลาไม่มากถ้าเรารู้หมายเลขบัญชีของวัดหรือขององค์กรที่เราต้องการที่จะบริจาคทรัพย์<ม>เราก็เพียงแต่ใช้มือถือเราโอนเข้าบัญชีนั้นได้ใช้เวลาไม่เกินห้านาที ก็สามารถยกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพได้ระดับจากมนุษย์นี้ไปสู่เทพง่ายๆไม่ต้องใช้เวลามากแต่ต้องใช้ทรัพยาก ร, ค, ร, ากรคือใช้ทรัพย์สินที่เรามีอยู่นี้แบ่งปันไปให้กับผู้ที่เขาเดือดร้อนหรือผู้ที่เขาจะไปทำคุณทำประโยชน์ ให้แก่โลกให้แก่สังคมถ้าเราเบริจาคเงินของเราไปแล้วใจของเราก็จะขยับขึ้นจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพทันทีจะขึ้นสูงหรือจะขึ้นต่ำจะขึ้นนานหรือขึ้นไม่นานก็อยู่ที่บริมาณของการบริจาคของเรา ถ้าเราบริจาคมากก็จะขึ้นสูง ม, มากถ้าบริจาคบ่อยก็จะอยู่ได้นานป่าบริจาคเพียงครั้งสองครั้งเช่นถ้าเราบริจาคทุกวันเช่นทำบุญใส่บาตรทุกวันถึงแม้ว่าปริมาณเงินที่เราบริจาคอาจจะไม่มากแต่เราก็จะสามารถที่จะอยู่ในระดับสวรรค์ชั้นนั้นได้ เป็นเวลาอันยาวนานเพราะมีการกระทำบ่อยนั่นเองทำอยู่เรื่อยๆทำบุญใส่บาตรทุกวันทุกวันถ้าเราทำด้วยทรัพย์สินที่ไม่มากเราก็อาจจะได้สวรรค์ชั้นต่ำสวรรค์นี้มีแบ่งไว้ถึงหชั้นด้วยกันมีอยู่ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เราบริจาคไปว่าเป็นสัดส่วนของทรัพย์สินที่เรามีอยู่เท่าไหร่ ร้ 6. อยละหกหนึ่งในหกสวรรค์มีหกชั้นเนี่ยสมมติสวรรค์มีหกชั้นด้วยกันถ้าเราเบยจากหนึ่งในหกของท ร, รัพย์สินที่เรามีอยู่เช่นถ้าเรามีหกพันเราเบิจากหนึ่งพันอันนี้เราก็จะได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถ้าเราเบิจากสองพันในหกพันที่เรามีอยู่เราก็จะได้สวรรค์ชั้นที่สอง อันนี้คือปริมาณของทรัพย์ที่เราเสียสละไปจะกำหนดถึงสวรรค์ที่เราจะได้รับว่าอยู่ชั้นไหนความเหตุที่มีหลายชั้นก็เพราะว่าความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานนี้มีไม่เท่ากันนั่นเองถ้าเราสังเกตดูถ้าเราบริจาคน้อย เราจะรู้สึกว่ามีความสุขน้อยกว่าถ้าเราบริจาคมากเช่นถ้าเราบริจาคหนึ่งพันกับบริจาคสองพันความรู้สึกในใจของเราจะต่างกันความสุขใจที่เกิดขึ้นจากการบริจาคหนึ่งพันกับการบริจาคสองพันนี้จะต่างกันนี่คือที่มาของสวรรค์ที่มีอยู่หลายชั้นด้วยกันมีอยู่ถึงหกชั้น สวรรค์ชั้นเทพไม่มีอยู่หชั้นด้วยกันและสาเหตุที่ทําให้เราได้ขึ้นไปชั้นใดชั้นหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสัสดส่วนของทรัพย์สินที่เรามีอยู่เราบริจาคไปหนึ่งในหเราก็จะได้ชั้นที่หนึ่งถ้าเราบริจาคหในหเลยคือเราตัดสินใจออกบวชเราไม่ต้องการใช้เงินใช้ทอง เงินทางที่เรามีอยู่นี้เราก็บริจาคไปให้หมดจะให้ใครก็ได้จะให้ครอบครัวให้พี่ให้พี่น้องให้พ่อให้แม่ให้ใครก็ได้มันก็จะยกระดับจิตของเราให้ขึ้นไปสูงถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดของของชั้นเทพไปไปติดกับชั้นพรหมเลยการที่เราจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมด้านนี้เราต้องบริจาคทรัพย์สิน ให้หมดไปถ้าจะเก็บไว้ก็เก็บไว้เท่าที่จำเป็นที่จะต้องมีถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บถ้าเช่นไปบวชเป็นพระ<ม>ก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินทองอีกต่อไป<ม>ก็สามารถบริจากทรัพย์สิน ท, ทั้งหมดที่เรามีอยู่ไปได้หมดมีเท่าไหร่ก็บริจาคไปก็เท่ากับบริจาคหกในหกเลยคือเต็มร้อย ก็จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดของชั้นเทพซึ่งอยู่ต่ำกว่าชั้นพรหมก็จะทำให้การเข้าสู่สวรรค์ระดับชั้นพรหมนี้เป็นไปได้ง่ายเพราะอยู่ติดกันอันนี้ก็คือเรื่องของการยกระดับจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพนี้ขึ้นอยู่กับการเสียสะละโดยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไป แล้วจะอยู่นานไม่นานก็อยู่ที่ว่าเราเรับบรยจากบ่อยหรือไม่บ่อยที่เราบริจากทุกวันมันก็จะทำให้เราอยู่สวรรค์ฉะนั้นอยู่ได้นานกว่าบริจากครั้งเดียวบริจากสิบครั้งก็จะอยู่ได้นานถึงสิบครั้งอยู่ได้นานกว่าหนึ่งครั้งสวรรค์คือบุญต่างๆนี้ ก็ขึ้นอยู่ที่ปริมาณที่เราทำและกี่ครั้งที่เราทํามันก็จะทําให้เราเวลาไม่มีร่างกายจิตใจของเราก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆอยู่สั้นอยู่ยาวก็ขึ้นอยู่กับการเสียสละแบ่งปันของเราว่าเราทํามากทําน้อยทําบ่อยหรือไม่บ่อย นี่เป็นการยกระดับจากชั้นจากมนุษย์ขึ้นสู่ชั้นเทพนี้เป็นการกระทาที่สามารถทำได้ทุกวันไม่จำเป็นจะต้องมาทำในวันพระแต่ถ้าเราต้องการที่จะยกระดับของของใจเราที่เป็นเทพนี้ให้ขึ้นไปสู่เป็นพรหมนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลามากเพราะการจะยกระดับ ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมได้นี้ต้องอาศัยการเจริญสติและก็การปฏิบัติจิตตะภาวนาที่เรียกว่าส ม, มถะภาวนาคือการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติให้ตั้งอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเช่นพุทธานุสติหรืออนาปนาสติหรือกายะกะตาสติ การจะยกระดับจิตจากระดับเทพถึงขึ้นสู่ระดับพรหมนี้จะเป็นสิ่งที่ยากกว่าจากมนุษย์มาเป็นเทพจากมนุษย์เป็นเทพเพียงแต่เสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราไปใจของเราก็ขึ้นไปเป็นเทพได้แต่จะขึ้นจากเทพไปสู่พรหมนี้จําเป็นที่จะต้องใช้เวลาและต้องใช้สถานที่ที่สงบ ที่ไม่มีอะไรมาคอยบครบกวนจิตใจเพราะสวรรค์ชั้นพรมนี้ก็คือความสงบนิ่งของจิตใจที่เรียกว่าฌานแต่ละชั้นนั่นเอง<ฮ>เวลาเรานั่งสมาธินี้จิตเราก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นชั้นๆไปชั้ น, นความสงบก็มีถึงเก้าชั้นด้วยกันแบ่งเป็นสองสามระดับด้วยกัน ระดับแรกเรียกว่ารูปประชาน ส, สงบขั้นหนึ่งถึงสี่นี้เรียกว่ารูปประชานมีอยู่สี่ชั้นรูปประชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จิตก็จะสงบเพิ่มขึ้นไปตามลำดับชั้นที่สองก็จะสงบมากกว่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สามก็จะสงบมากกว่าชั้นที่สองชั้นที่สี่ก็จะสงบมากกว่า ั้นที่สามแล้วจากชั้นที่สี่ก็จะเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าอารูปปชาญอารูปปชาญ น, นี้ก็มีอยู่สี่ชั้นด้วยกัน<ม>ก็ก็จะสงบเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ<ม>พอขึ้นถึงระดับรูปอรูปปชาญที่สี่<ม>ก็จะมีอีกระดับหนึ่งที่จะขึ้นไป เรียกว่าขั้นนิโรธสมาบัติขั้นที่จิตหยุดทำงานอย่างเต็มร้อยสัญญาเวดิตะนิโรธสัญญาหยุดทำงานเวทนาหยุดทำงานสั ง, สงขารที่หยุดตั้งแต่อยู่ในรูปประชานรูปประชานอันนี้ก็จากการเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เพราะถ้าจิตคิดแล้วจิตก็จะไม่นิ่งไม่สงบจิตก็จะอยู่อยู่ในระดับของเทพหรือระดับของมนุษย์แต่ถ้าจะเข้าสู่ระดับของของพรมนี้ต้องหยุดความคิดให้ได้และการจะหยุดความคิดนี้จาเป็นที่จะต้องมีที่สงบที่ไม่มีอะไรมาคอยยุยงให้เกิดความคิดต่างๆขึ้นมาถ้าเรา ได้ยินเสียงนี่ก็จะอดคิดถึงเสียงนั้นไม่ได้ ท, ทันทีถ้าเห็นรูปก็จะอดคิดถึงรูปนั้นไม่ได้ ท, ทันทีคิดแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาเกิดการมั่าฉันทะที่จะเป็นตัวที่จะทำให้จิตนี้พุ่งขึ้นมาทำให้จิตกวนกวายกระสับกระสายหรือทำให้จิตเกิดอาการรู้สึกหมดยึดลำคาญใจขึ้นมา เป็นนิวรณเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบจึงจําเป็นที่จะต้องหาที่ห่างไกลจากสิ่งที่จะมาสร้างนิวรณให้กับใจคือต้องสํารวมตาหูจมูมกทิ้งกายไปเปรกวิเวกไปอยู่ที่รูปเสียงกยลิ่นรสผูกสภาพเป็นรูปเสียงกยลิ่นรสที่เป็นธรรมชาติเช่นรูปเสียงกยลิ่นรสที่เราสัมผัสในป่าในเขานี้ จะไม่มีกิเลสมายุยงให้เกิดการมชันทะแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่เราสัมผัสนี้ล้วนจะมีกิเลสเพราะมันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่สร้างขึ้นมาด้วยกิเลสนั่นเองในบ้านในเมืองสิ่งของต่างๆที่ปรากฏในบ้านในเมืองนี้เกิดจากการสร้างสารรค์ของกิเลสตัณหาของจิตใจ ของผู้ที่อยู่ในบ้านในเมืองจะชอบสร้างของสวยๆงามๆให้ถูกใจกิเลสรอใจกิเลสจะสร้างเสียงที่ไพเราะเพอาะเพ้งเพื่อดึงดูดจิตใจให้ไปเสกดังนั้นการภาวนาเพื่อยกระดับจิตใจจากเทพไปสู่พรมนี้เป็นของที่ยากมากกว่าการยกระดับจากมนุษย์ไปเป็นเทพ การยกระดับจากมนุษย์ไปเป็นเทพนี้ทำนะทำที่ไหนก็ทําได้ถ้าเรามีทรัพย์สินมีเงินทองที่เราสามารถที่จะเสียสละแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไปได้เราก็สามารถยกระดับของเราให้ขึ้นเป็นเทพได้ ท, ทันทีทําได้ในบ้านในเมืองในที่ทํางานทําการทําที่ไหนก็ได้เพราะ ม, ม, มันไม่เกี่ยวกับการทําใจให้สงบ มันเกี่ยวกับการเสียสละแบ่งปันการเสียสละแบ่งปันนี้ก็จะทำให้ใจมีความสงบขึ้นระดับหนึ่งเพราะได้คลายความยึดติดอยู่ในทรัพย์สินสมบัติได้คลายความหวงความตนีในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่คอยดึงดูดใจให้ลงต่ํา่แต่ถ้าพอเราเสียสละแบ่งปันนี้เท่ากับเราคลายความตนี ความยึดความติดในทรัพย์สินสมบัติเงินทองต่างๆก็จะทำให้ใจเราเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากการได้ทำบุญทำทานได้เสียสละแบ่งปันทรัพย์สินที่เรามีให้แก่ผู้อื่นไปเวลาที่เราทำแล้วเราเห็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราได้มีความสุขมันก็เลยทำให้ใจเราเกิดความสุขขึ้นมา ความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันนี้เป็นความสุขของเทพไม่ใช่เป็นความสุขของมนุษย์ความสุขของมนุษย์นี้เป็นความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเช่นเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเห็นของสวยๆงามๆเช่นเห็นกระเป๋ารองเท้าหรือเห็นบ้านเห็นคอนโด เห็นรถหรูหราอะไรต่างๆเหล่า น, นี้แล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อสิ่งเหล่านี้มาเสกอันนี้ก็จะได้รับความสุขแต่ไม่ได้เป็นความสุขทางใจเป็นความสุขทางขันความสุขจากการได้สัมผัสได้ครอบครองสิ่งที่เรารักเราชอบซึ่งเป็นความสุขชั่วประดียวประเดาเพราะว่ามันไม่อยู่นาน ความสุขที่เราได้จากการไปได้สิ่งของอะไรนะต่างมานี้เราจะสุขตอนที่เราได้มาใหม่ๆนั่นเองหลังจากนั้นแล้วมันก็จะรู้สึกเฉยๆกับมันมีอยู่กับมันก็ใช้มันไปแต่ความสุขที่เคยได้เหมือนตอนที่ได้มาตอนใหม่ๆนี้มันหายไปแล้วมันต่างกันมันต่างจากความสุขที่เป็นของเทพความสุขของเทพก็คือการเสียสละเงินทอง งเงินทองก้อนเดียวกันนี้เราสามารถซื้อความสุขได้สองรูปแบบด้วยกันความสุขของมนุษย์ก็คือการเอาไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวของสิ่งของต่างๆของสวยๆงามๆของหรูหราของที่มีราคาแพงๆหรือการไปไปดูไปชม ไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆเหล่านี้จะได้ความสุขที่เรียกว่าสุขเวทนาเป็นความสุขเดียวเดียวเพราะสุขเวทนานี้เป็นเป็นปลายลักษณ์นั่นเองเป็นสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรได้ปุ๊บนึงเดี๋ยวพอไปกินเสร็จกลับมาความสุขนั้นก็หมดไปไปดูไปฟังอะไรเสร็จพอมันผ่านไป ความสุขที่ได้จากการดูการฟังนั้นก็ผ่านไปหมดไปแต่ความสุขที่ได้จากการทำวุญทำทางซึ่งเป็นความสุขของเทพนี้มันเป็นความสุขใจซึ่งต่างจากความสุขเวทนาความสุขใจนี้มันจะยั่งยืนกว่ามันอยู่กับใจไปนานกว่ามันจะทําให้ใจนี้มีความเย็นมีความสุขเป็นเวลาอันยาวนาน หลังจากที่ทาบุญไปแล้วเดือนที่แล้วบางทีความสุขที่ได้จากการทาบุญนั้นก็ยังมีอยู่ในใจต่อไปทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำเราก็จะเกิดความสุขใจเพราะเราเราดึงเราสามารถดึงความสุขใจที่เราได้นั้นขึ้นมาให้กับเราได้สัมผัสได้เรื่อยๆต่างจากความสุขจากเวทนาที่เราได้จากการไป ดูไปฟังแล้วไปกินไปดื่มพอเราไปคิดถึงมันแทนที่จะเกิดความสุขใจเหมือนตอนที่เราได้กินได้ดื่มมันกลับทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอคิดถึงมันแล้วไม่ได้กินไม่ได้ดื่มก็เลยทําให้รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาอยากจะดูแต่ไม่ได้ดูอย่างนี้อยากจะฟังแต่ไม่ไม่ได้ฟังเพราะสุขเวทน า, ามันหายไปแล้ว สุขที่ได้จากการไปดูไปกินไปดื่มเมื่อครั้งที่แล้วมันหมดไปแล้วนึกถึงมันทีไรแทนที่จะเกิดความสุขใจกลับเกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาเพราะว่าอยากจะอยากจะได้เสพได้สัมผัสแต่กลับไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสอีก mm hmm. พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสนับสนุนให้เรา ใช้เงินทองไปกับการซื้อสุขเวทนาอย่าไปซื้อเงินทองเพื่อซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสรูรปเสียงกลิ่นรสก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกนิ้นกายของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นข้าวของต่างๆที่เราเห็นแล้วถูก อ, อกถูกใจเหล่านี้ก็เป็นความสุขเวทนาเห็นกระเป๋าสวยๆเห็นรองเท้าสวยๆ เห็นเสื้อผ้าสวยๆเห็นเครื่องสาอางอะไรต่างๆเนี่ยเห็นพอเห็นแล้วก็เกิดความสุขอยากได้ขึ้นมามก็ต้องใช้เงินไปซื้อมาถึงจะได้ความสุขแต่พอได้มาแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้จำเป็นที่จะต้องคอยไปหาซื้อมาอยู่เรื่อยๆซื้อวันนี้แล้วเดี๋ยววันหน้าออกไปข้างนอกอีก ก็เห็นของที่ถูกอกถูกใจอยากได้ขึ้นมาอีกก็ต้องซื้อไปอันนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ดูดเงินทองไปและจะเป็นตัวที่มากดดันให้เราต้องคอยดิดน้นนนหาเงินหาทองมาซื้อความสุขแบบนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดเพราะว่าความสุขแบบนี้มันไม่อิ่มมันไม่พอมันได้ปุ๊บแล้วมันก็หายไป ปล่อยให้ใจเราขิวโหยต่อไปต่อให้ซื้อมาถ้าไหลก็ไม่มีวันหมดไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพออย่างเคยได้ยินข่าวพวกมหาเศรษฐีทางภาคตะวันออกกลางนี้เขามีเงินมากมีเงินจากน้ำมันเขาชอบรถหรูนี่เขาซื้อมาทีบางทีซื้อมีตั้งห้าร้อยคันก็มีบางคนต้องสร้างโกดังเก็บไว้แ่ก็รู้ซื้อมาทาไม เวลาขับก็ขับได้ทีละคันเท่านั้นเองจะขับทีเดียวห้าร้อยคันก็ไม่ได้ถ้าอยากจะขับห้าร้อยคันก็โดยต้องไปจ้างคนมาขับให้แต่เพราะความอยากความอยากที่เห็นแล้วอยากได้พล้วเวลาได้มาแล้วมีความสุขแต่มันมีความสุขเดียวเดียวพอได้คันนี้แล้วความสุขที่ได้จากคันนี้ก็หมดไปแล้วจะอยากจะได้ความสุขแบบนี้อีกก็ต้องไปซื้อคันใหม่อ แล้วมันก็มีของใหม่ออกมาล่อใจอยู่เรื่อยๆปีนี้มีรุ่นนี้เดี๋ยวปีหน้าก็มีรุ่นใหม่กว่า น, นี้ออกมาล่อใจอเรื่อย ๆ, ๆจึงมีสมบัติกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่กลับหาความสุขไม่เจอไม่มีความสุขความสุขที่เกิดจากความอิ่มความพอไม่มีไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์ไปทาบุญทาทานช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นเขาได้มีความสุข บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นอันนี้ทําแล้วจะทําให้ใจเกิดมีความสุขมากแล้วความสุขนี้มันทําให้อิ่มมันไม่ทําให้หิวมันจะทําให้รู้ษึกไม่หิวโหวยกับการที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาบํารุงบำรเจิตใจอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการพัฒนาจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพต้อง พัฒนาด้วยการเสียสละแบ่งปันเงินทองด้วยการทำบุญทาทานแต่ถ้าเอาเงินทองไปซื้อความสุขของมนุษย์ก็จะติดอยู่ในระดับมนุษย์ซื้อรถมาห้าร้อยคันแทนที่จะได้ขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าไม่ได้เสียสละแบ่งปันอะไรให้กับใครเลยมีแต่ทําเพื่อประโยชน์ของตนทาเพื่อความสุขของตนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองการพัฒนาจิตใจก็เลยไม่เกิดขึ้น ก็ทำให้ติดอยู่ในระดับมนุษย์อันนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะจะทาให้ตกต่ำได้เพราะใจนี้นอกจากจะขึ้นสูงได้ก็ยังตกต่ำได้การตกต่ำของใจก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากการกระทำบาปนี่เองถ้าไปทำบาปสี่ข้อคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปด่น ทำบาปอย่านี้กนะ็จะดึงใจให้ลงต่ำทันทีระดับที่ลงต่ำก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าเดราฉานที่สองเรียกว่าเปรตที่สามเรียกว่าอสุลกายที่สี่เรียกว่านรกและสาเหตุที่ทำให้ไปอยู่ในระดับต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าทำบาปด้วยสาเหตุทางใดถ้าทำาบาปด้วยสาเหตุคือความหลง ามไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นทำเพื่ อ, อยังชีพทำเพื่อป้องกันตัวเองก็จะไปเป็นเดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าการทำบาปนั้นจะทำให้เขาเป็นเดรัจฉานแต่เขาก็ต้องทำเพราะว่าเป็นวิธีอยู่รอดของเขาสัตว์ใหญ่ต้องกินสัตว์น้อยอันนี้ก็เหมือนกัรถ้ามนุษย์ใช้ใช้หลักเดียวกับสัตว์เดรัจฉาน ใจก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปถ้าเพื่อการอยู่รอดก็จะต้องอมีการไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้หรือไปช่อโกงทรัพย์สินสมบัติของผู้อื่นมาให้เป็นของตนหรือไปแย่งสามีภรรยาของผู้อื่นมาอะไรหรือไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อันนี้แหละก็จะเรียกว่าเป็นการกระทําบาปด้วยความหลงก็จะทำให้ใจนั้น เปลี่ยนจากความเป็นมนุษย์ให้กลายไปเป็นสัตว์เลร้ยฉานแทนแล้วถ้าไปทำบาปด้วยความโลภคือความจริงก็พอมีพอกินพออยู่ได้แต่อยากร่ำอยากรวยอยากมีมากเหมือนคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขาร่ารวยมีหน้ามีตาก็อยากจะมีเหมือนเขาก็เลยไปทำบาปเพื่อที่จะได้เอายกระดับเงินทองของตนให้สูงขึ้นให้เป็นเศรษฐีขึ้นมา เราคงได้ยินข่าวการธรมหากินแบบชอบโกงกันทุกวันนี้ เ, ออเพราะอยากจะมีหน้ามีตาอยากจะอวดความรวยพอมีทรัพย์แล้วก็สามารถที่จะซื้อของแพงๆมาอวดมาโชว์ได้ก็เลยทำให้ไปทำบาปกันโดยไม่รู้สึกตัวออทำด้วยความออโลภตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าทำบาปด้วยความโลภใจก็ก็จะไปเป็นเปรตเปรตก็คือ ถ้าตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวย<ม>กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ<ม><ม>ท่านเปรียบเปรียว่าไปมีปากเท่ารูเข็มแต่มีท่องเท่ากับ ต, ต, ตุ่มน้มําำคินดูจะเอาน้ําใส่ตุ่มผ่านรูเข็มเนี่ยมันกราเมื่อไหร่มันจะเต็มมันดูเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกมันจะเต็มสัที<ม>อันนี้ก็เป็นลักษณะของใจใจที่มีความโลภ เราให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงราก็ไม่รู้สักไม่รู้จักอิ่มไม่จักพอเพราะมีความโลภอยากได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้ก็ถ้าทำบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวผู้อื่นเขาจะมาทาร้ายเราก็เลยไปทำร้ายเขาไ อ, อันนี้ก็จะทำให้เป็นอสุ ร, รกาย เป็นจิตใจที่มีแต่ความหวาดระแวงหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าทําบาลด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทฟันต่อฟันตาต่อตา อ, อ, อ, อย่างนี้ก็จะทำให้ใจเป็นนรกขึ้นมาจะร้อนด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทกินไม่ได้นอนไม่หลับสังเกตดูเวลาที่เราโกรธใครเกลียดใครแล้วเราอยากจะอาฆาตพยาบาทอยากจะล่างแค้นอยากจะตอบแทน การกระทําของเขาให้เขาได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวตามที่เขาให้ทํากับเราเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับใจมันจะร้อนอยู่ตลอดเวลานี่คือความตกต่ําของจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เช่นเราคิดว่าทำรรมาหากินนี้บางทีก็ต้องมีการกระทําบาปบ้างเช่นอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายอย่างนี้ก็เป็นอาชีพ ที่เลี้ยงชีพตนเองแต่เป็นการไปทำลายชีวิตของผู้อื<ม>่นเป็นการกระทำบาปอันนี้ถึงแม้จะเป็นการเลี้ยงชีพของตนเอง<ม>ก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นว่าจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้รับโทษทำบาปด้วยความวเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองก็จะไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าทำบาปเพื่ออยากให้ร่าให้รวย<ม>อันนี้ก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปเพราะกลัวป้องกันคน สิ่งอื่นที่จะมาทำร้ายตนนี้ไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะเป็นอสูรและกายแล้วถ้าทำบาปเพราะโกรธเกลียดใครอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอันนี้ก็จะไปไปนรกกันแต่สิ่งเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ได้รักษาศีลสีข้อแล้วก็เพิ่มอีกข้อคื อ, อบายามุข ค, คือสุรายาเมา กาสุรานี้เป็นตัวที่จะทำให้เราไปทำบาปได้ง่ายพอเวลาเราดื่มสุราแล้วมึนเมาขึ้นมามก็จะไม่มีสติคอยควบคุมการพูดการกระทาของเรา<ม>อยากจะทำบาปก็จะทำไปได้อย่างง่ายได้<ม>จึงต้องห้ามไม่ให้ดื่มสุราพอเวลาที่เราไม่ได้ดื่มสุราเราจะมีสติ เวลาที่เราคิดจะทําบาปนี่เราจะหยุดได้เราจะรู้สึกตัวว่าเอ้เรากำลังจะไปทําบาปเราก็จะห้ามใจเราได้แต่ถ้าเรามินเมาแล้วเราไม่รู้สึกตัวเราจะทําไปไปรู้สึกตัวตอนที่มันทําไปเสร็จแล้วหายเมาเราถึงรู้โอ๊ยเราไปทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรห้ามไม่ให้เสพบ้าๆบอย่างลุกด้วยสุรายาเมาก็ไม่เสพการพนันก็ไม่ควรเล่น<ม>การเที่ยวก็ไม่ควรเที่ยว แล้วก็ความเกียดค้านก็ไม e ่ควรจะมีการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรก็ไม่ควรจะคบเพราะถ้าไปคบคนที่เ้าชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็ชวนเราไปเที่ยวอบายมุขเหล่านี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเที่ยวบ่อยๆใช้บ่อยๆเล่นการพนันบ่อยๆเดี๋ยวงินก็หมด พอเงินหมดไม่ไม่มีงานทําก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีช่อโกงหลอกลวงหรือรักทรัพย์ของผู้อื่นมาดึงอบายามุกนี้เป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปทําบาปได้ง่ายถ้าไม่ได้มีอบายามุกนี้ก็การจะทําบาปก็ย า, ยากขึ้นนนี่คือวิธีป้องกันไม่ให้จิตตกต่าให้รักษาจิตที่เราเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ให้เป็นมนุษย์อยู่ต่อไป เพราะถ้าตับกับมนุษย์นี้ความทุกข์มันจะมากขึ้นความสุขมันจะน้อยลงแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี้ความสุขความทุกข์นี้มันพอพ อ, พ อ, พ, อ, พ, อพอดีกันเท่าๆกันสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปแต่ถ้าอยากให้มีความสุขมากขึ้นจากมนุษย์ก็ต้องพัฒนาให้ขึ้นไปเป็นเทพก็ต้องมีการทำบุญทำทางอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่า ระดับชั้นเทพก็ต้องไปใช้การปฏิบัติจิตภาวนาต้องไปเจริญในืคัมภีคือต้องไปละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือต้องถือศีลแปดผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้จะต้องหยุดสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าเป็นความสุขที่หยาบกว่าความสุขที่ได้จากการ ทำใจให้สงบนั่นเองความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าต้องการความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบ ก, ก็จาเป็นที่จะต้องมีการหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นความสุขของมนุษย์และของเทพนั่นเองมนุษย์ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เทพก็ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรส แต่รูปเสียงกลิ่นรสของเทพนี้จะเป็นรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพไม่เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสของมนุษย์รูปเสียงกลิ่นรสของมนุษย์นี้เป็นรูปรูปที่เห็นได้ด้วยตาหูจมูกิืนกายแต่รูปเสียงกลิ่นรสของเทพนี้จะสัมผัสได้ด้วยใจไม่ต้องใช้ร่างกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อระุธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเราพัฒนากันตามลาดับ เบื้องต้นก็พัฒนาจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทพและคอยป้องกันไม่ให้ลงไปต่ำกว่ามนุษย์คือไม่ให้กระทำบาปให้รักษาศีลห้าไว้เป็นเป็นอย่างน้อยอนะเบื้องต้นนี้ถ้าอยากจะอยู่เป็นมนุษย์ไม่ตกต่ำกว่าก็ต้องให้รักษาศีลห้าอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าอยากขึ้นสูงกว่าการเป็นมนุษย์ ก็ต้องเพิ่มการทำบุญทำทานทำบุญทำทานก็จะยกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพได้รักษาศีลนี้เป็นเพียงแต่ป้องกันไม่ให้เสื่อมจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานเป็นต้นแล้วถ้าอยากจะขึ้นจากเทพไปสู่พรมตอนนี้ก็ต้องใช้การปฏิบัติจิตตภาวนาสนับสนุนด้วยการเจริญเนคขมมะก็คือการถือศีลแปด การถือศีลแปนี้เป็นการยุติการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นศีลข้อสามของศีลข้อแปดนี้ก็จะเปลี่ยนจากการเมสุมิฉาจาราคือการไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นอ布拉มจาริยาเว ร, รมณีแปลว่าจะถือศีลพรหมจันทร์พรหมจันทร์ก็คือไม่เสพไม่ร่วมหลับนอนกับใครนั่นเอง เรียกว่าศีลพรหมอาจารย์ศีลของนักบวชศีลของพรหมเราจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมเราก็ต้องถือศีลของพรมพรมเขาไม่เสบรูปสีงกลิ่นรสเขาไม่ร่วมหลับนอนกับใครเราก็ต้องหยุดการเสดเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราใช้ในการเสดการนี้กับผู้ที่ที่เราร่วมหลับนอนด้วยนี้เราจะได้เอาเวลามาเจริญสติมาทาใจให้สงบนั่นเอง เพื่อให้เกิดสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นมาในใจของเราถ้าเรามัวแต่ไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่เราก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิกันเราก็จะไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้เช่นเดียวกับศีลข้อ6ก็ไม่ให้เราไปหาความสุขจากการรับประทานการดื่มอะไรต่างๆเกินความจาเป็นเกินความต้องการของร่างกายดื่มได้รับประทานได้เพื่อเลี้ยงดูร่างกาย แต่ไม่ได้ให้ดื่มให้รับประทานเพื่อหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานก็เลยบังคับให้ไม่ให้รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วให้รับประทานได้ช่วงเช้าถึงเที่ยงก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ให้ยุติเพราะร่างกายได้อาหารพอเพียงต่อการดำรงชีพแล้วไม่ต้องกินไปถึงจนวันนุ่งขึ้นถ้ากินต่อไปก็แสดงว่าเป็นการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่าน รสชาติของอาหารก็ต้องหยุดมันหยุดการรับประทานอาหารแล้วจะได้มีเวลาตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปมาเจริญสติมานั่งสมาธินั่นเองนอกจากไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากบันเทิงต่างๆการบันเทิงต่างๆการน้องนําทําเพลงการดูภาพยนตร์ดูอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็จะเป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขที่ยากกว่าความสุขที่จะเกิดจากการสงบการทำใจให้สงบถ้าเราเอาเวลาไปให้กับความสุขจากรูปจากจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่มีเวลามาทำใจให้สงบนั่นเองแล้วเราก็ต้องยุติกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปให้หมด รวมไปถึงการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสริมสวยด้วยเสื้อผ้าพอ่อเสริมสวยด้วยเครื่องสาอางด้วยน้ำมันน้ำหอมต่างๆอันนี้ก็ต้องตัดไปให้หมดเพื่อจะได้เอาเวลามาให้กับการสร้างความสุขสร้างความสงบให้กับใจการนอนก็ให้นอนไม่ให้มากให้นอนเพียงพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอปกติร่างกายนี้มักจะ ความต้องการพักผ่อนของร่างกายจริงๆนี่คืนละสี่ชั่วโมงก็พอเพียงแต่จะให้นอนแบบสี่ชั่วโมงได้นี้ต้องนอนบนที่นอนที่ไม่สบายถ้าเรานอนบนที่นอนที่สบายเช่นเตียงสำราญที่มันนุ่มมันสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแต่ใจไม่อยากจะลุกเพราะยังอยากจะนอนต่อเพราะมันสบายก็จะติดสุขทาง ทางทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันติดสุกทางกายผวทับพะชอบสัมผัสกับความนุ่มความสบายก็แทนที่จะนอนเพียงสี่ชั่วโมงก็อาจจะนอนต่อไปถึงเจ็ดถึงแปดชั่วโมงก็ได้ดังนั้นวิธีแก้ก็คือให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าด้วยเสื่อก็พออย่างนี้จะนอนไม่นานพอร่างกายได้พักพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงก็จะลุกขึ้นมา พราะนอนไม่อยากจะนอนเพราะมันไม่สบายพื้นมันแข็งมันเจ็บหลังชั่ขึ้นลุกมานั่งสมาธิหรือมาเดินจงกรมดีกว่าอันนี้คือศิลงแปดข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงสแสดงทรงสอนให้ผู้ที่อยากจะยกระดับจิตใจจากชั้นเทพให้ขึ้นสู่ชั้นพรหมจําเป็นที่จะต้องมีศิ่งแปดข้อนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องมีการไปเปรีกวิเวก ไปหาที่สงบสนัดที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงนั่นเองถึงแม้เราถือศีลแล้วนะแต่ถ้าเรายัไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวดีไม่ดีพอได้ยินเสียงได้เห็นภาพก็อดไม่ได้ก็อาจจะทำให้ตะบะแตกทำให้ศีลแตกศีลขาดก็ได้เห็นคนอื่นเขาดูละครเดี๋ยวเห็นเขาดูแลเกิดความอยากดูขึ้นมาก็เลยไปขอนั่งดูด้วยก็มีหรือเห็นเ้ากินข้าวเย็นก็อยากจะกินกับเขา หรือบางทีเราไม่อยากจะกินแต่เขาก็มายั่วมาชวนนี้กินหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกนี่เดี๋ยวเราก็ใจเราก็อ่อนอยู่แล้วพอมีใครมาชวนก็อ้งเก่งใจเก่งใจเอาซะหน่อย <c oughs> ก็เลยทําให้ศิ่ขาดไปได้เนี่ยงั้นเราต้องไปอยู่ที่เขาไม่มีสิ่งเหล่านี้มายั่วยวนก ว, วนใจเช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆเยพราะปฏิบัตินี้เขาจะไม่กินข้าวเย็นกัน เขาจะไม่มีดูหนังฟังเพลงไม่มีกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้งกายเขาจะมีแต่ให้เข้าโบส์เข้าไปไหว้พระสวดมนต์ไปเจริญสตินั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้เราต้องหาที่สงบที่ที่สปายะต่อการปฏิบัติจิตภาวนาต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพชนิดต่างๆมายัวย่วยัวย่วยวนกวนใจ ต้องไปอยู่ที่อย่างนั้นแล้วเราก็พอเรามีเวลาว่างเสร็จภารกิจจากการี้ยงดูร่างกายหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็เอาเวลามาให้กับการจเจริญสติก่อนเพราะการที่จะทำใจให้หยุดนิ่งได้นี้จำเป็นจะต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ทำไมเราต้องมีเบรกรถยนต์กันเพราะเราต้องการหยุดรถยนต์เวลารถยนต์วิ่งแล้วเราอยากจะให้มันหยุด ถ้าเราไม่มีเบรกมันไม่หยุดอ่ะมันเช่นเรามาถึงสี่แยกไฟแดงแล้วถ้าเราต้องการให้มันหยุดเราต้องเหยียบเบรกมันถึงจะหยุดถ้าเราไม่เหยียบเบรกนู่นอ่ะมันก็วิ่งผ่านไฟแดงไปแล้วดีไม่ดีก็อาจจะไปชนกับรถคันอื่นที่มาทางหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเรามี break, เบรกพอถึงสี่แยกไฟแดงเราต้องหยุดแล้วก็เหยียบเบรครถก็หยุดได้ใจก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้ใจเข้าสมาธิใจสงบนิ่ง เราก็ต้องมีเบรกของใจเบรกของใจนี้ก็คือสติถ้าเรามีสติพอใจคิดปับ๊บเราก็สั่งให้มันหยุดคิดได้ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีด้วยกันคือกรรมฐานต่างๆนี้เป็นวิธีการทาหยุดใจให้คิดทำใจให้นิ่งทำให้ใจให้มีสติเช่นพุทธานุสตินี่ ใจเราลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อยู่เรื่อยๆเช่นเราเลิกชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธไป <S <S <S ถ้าเราเ ล, ลึกอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องอาหารเรื่องเรื่องภาพยนตร์เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะคิดไม่ได้ถ้าเราคิดอยู่กับพุทธโธพุทโธไปอันนี้เป็นการห้ามใจไม่ให้ไปคิดด้วยการเอาความคิดมาคิดอยู่กับเรื่องเดียว คืเรื่องพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธถ้าเรายังไม่ไม่สามารถอยู่กับพุทธโธคําเดียวได้เราอยากจะสวดบทอิติปิโสไปก่อนก็ได้เจริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปอิติปิโสภะเกวะอัลลหังสัมมาสัมพุทธโธสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงเพราะว่าถ้าเราสวดในใจนี้เราสามารถทําได้ทุกแข่งทุกคนการเจริญสตินี้จําเป็นที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสถานที่ใดถ้าเราเลือกทำแต่เฉพาะเวลาที่เราไปเข้าโบส ไ, ไ, ไปไวปไหว้พระสวนมนต์นี้มันจะไม่พอเพียงต่อการเจริญสติเพราะใจมันทำงานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแล้วถ้าเราต้องการให้ใจหยุดเราก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆใจมันถึงจะหยุดคิดได้ การจะจารเจริญสตินี้ไม่จําเป็นจะต้องออกเสียงถ้าเราใช้คําบริกรรมหรือเราใช้บทสวดอิติปิโสให้เราสวดไปภายในใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะคิดน้อยลงไปอาจจะไม่หยุดทันทีอาจจะไม่หยุดเต็มร้อยแต่ความคิดมันก็จะน้อยลงไปพอมันจะคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปหรือสวดอิติปิโสไปนี่นี่คือในช่วงที่เรายังไม่ได้มานั่งสมาธิน ให้เราทำตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็เราเริ่มสวดไปเลยเริ่มพุโทโธไปเลยไม่ว่าเราจะมองจะทำอะไรอาบน้ำอาบอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปก็พุโทโธควบคู่กันไปหรือสวดอิติปิโสควบคู่กันไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะความคิดเหล่านั้นมันจะทำให้ใจเกิดอารมณ์ขึ้นมา แต่ถ้าคิดอยู่กับบทส่วนมนแล้วคิดอยู่กับพุทโธนี้มันจะทำให้ใจเย็นทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสบายถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้พอเวลาที่เราไม่มีกิจอะไรจำเป็นที่จะต้องทำเราก็มานั่งหลับตาแล้วก็มานั่งสมาธิกันท่งสมาธิก็จะนั่งในท่าไหนก็ได้ที่เรานั่งได้ถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิขัดสมาธิไม่ได้จะพับเพียบก็ได้ แต่ข้อสําคัญนะตั้งตัวให้ตรงอย่าให้งอ<ม>เพราะงอแล้วมันจะหลับง่าย<ม>เวลานั่งสมาธินี่ตั้งตัวให้ตรงแต่พอตั้งเสร็จแล้วเวลาเริ่มทําสมาธิแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับท่านั่งถ้าร่างกายมันจะงอ ก, ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนเริ่มต้นนี้เราก็ตั้งตัวให้มันตรงก่อนแล้วแต่นั่งไปชั่วครั้งมันก็อาจจะงอบ้างไปบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีสติอยู่กับการภาวนา ถ้าเรามีสติอยู่กับพุทธโธก็ได้ถ้าเรานั่งนะเวลานั่มันจะใช้พุทธโธอย่างเดียวก็ได้นั่งก็พุทธโธพุทธโธไปหรือเราจะใช้การดูลมอย่างเดียวก็ได้ดูลมที่เข้าออกที่ปลายจมูกดูว่าลมเข้ารูป้ปารู้ว่าลมลมเข้าหรือลมออกเท่านั้นเองให้รู้อย่างเดียวไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องไปนั่งแล้วบังคับให้หายใจยาวๆลึกๆไม่จาเป็นอย่าไปทาอะไรกับลมอย่าไปบังคับลม เพราะจะทําให้จิตไม่นิ่งจิตยังยังต้องทํางานจิตยังต้องไปควบคุมลมอยู่แล้วต้องการให้จิตนิ่งนี้ให้รู้เฉยเฉยให้รู้ว่าลมกําลังเข้าลมกําลังออกบางคนก็อยากจะใช้สองอย่างคนกันก็ได้บางคนบอกดูลมหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทอันนี้ก็ลองทําดูแล้วแต่ว่าอย่างไหนจะดีจะเหมาะกับเรา แต่ในความรู้สึกของเราเราคิดว่าทําเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่ามันไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากถ้าไปเอาสองอย่างมาผูกกันไว้แล้วบางทีมันจะทําให้ต้องทํางานมากขึ้นเราต้องการลดการทํางานของจิตให้น้อยลงงั้นให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรือให้ดูลมอย่างเดียวดีกว่าก็ทดลองดูก็แล้วกันแต่ถ้าอยู่กับลมไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็อาจจะต้องสวดมนต์ไปก่อน บางคนก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้การฟังเทศฟังธรรมหรือการสวมดมนต์ก็เป็นการเจริญสติระดับแรกๆแล้วก็ทำใจให้เบาลงให้สงบลงในระดับต้นๆได้ทำให้พอถึงเวลาสวดเสร็จฟังเทศเสร็จก็ใจเบาใจ เ, ใจเย็นขึ้นก็อาจจะสามารถดูลมได้หรือพุโทโธต่อไปได้นี่คือขั้นขั้นตอนของการ ยกระดับจิตใจจากระดับมนุษย์จากระดับเทพให้ไปสู่ระดับพรหมต้องทำด้วยการด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญสมถะภาวนาคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดคอยทำใจให้นิ่งใจจะนิ่งได้เต็มที่ร่างกายต้องนิ่งก่อนร่างกายต้องไม่ทำอะไรร่างกายต้องนั่งเฉยๆถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้จะนั่งห้อยเท้าก็ได้ แล้วแต่เราจะสะดวกแต่ถ้าขัดสมาดนี้จะเป็นท่าที่นั่งได้นานกว่าต่อไปถ้าเรานั่งได้มากเร า, อ, าจจอยากจะนั่งในท่าขัดสมาดเพราะนั่งไปแล้วมันจะสบายกว่าแล้วมันมั่นคงกว่าถ้านั่งค่อยเท้าถ้านั่งค่อยเท้านั่งไปนานๆมันก็อาจจะมีมีการเองเ อ, เองได้ง่ายกว่าอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความความเหมาะสมของแต่ละคน บางคนมีปัญหาเรื่องเขานั่งก็นั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็อาจจะต้องนั่งนั่งเก้าอี้ไปแต่ตัวที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งตัวที่สำคัญก็คือสติขอให้เรามีสติคอยควบคุมความคิดของเราคอยหยุดความคิดของเราอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจหยุดคิดได้เมื่อไหร่ใจจะเน่งสงบขึ้นมาทันทีเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนที่พุทธเจ้าบอกว่านัตสันติป ร, รังสุขขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่สูงสุดความสุขที่ดีเลิศที่สุดก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่ถ้าใครลองได้สัมผัสกับความสุขนี้แม้แต่เพียงชั่วแค่งูลแลบลิ้นหรือช้างกระดิ๊ขู่ความสุขนี้มันจะเป็นสิ่งที่ประทับใจดึงดูดใจให้ผู้ปฏิบัตินี้จะกลับมาอยากจะกลับมาหาความสุขแบบนี้อีกเรื่อยๆ ต่ไม่อยากจะกลับไปหาความสุขแบบเดิมที่เคยได้สัมผัสคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินอขอให้เราทำจเจริญสติเถอดแล้ววันดีคนดีจิตก็จะสงบนิ่งให้เราเห็นส่วนใหญ่เวลาที่สงบครั้งแรกๆมันก็จะสงบแบบชั่วหูแลบลินนี่หรือชั่วหูช้างกระเดกท่านนอง มันจะไม่ได้นานเพราะกำลังสตินี้ยังมีน้อยมีมากพอที่จะทำให้ใจหยุดยิ่งได้ชั่วขณะหนึ่งจิตที่สงบนิ่งชั่วขณะหนึ่งนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิส่วนให ญ, สใหญ่ส่วนใหญ่ผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้เวลาจิตสงบครั้งแรกนี้จะเจอแต่คณิกะสมาธิก่อนแต่มันจะทำให้เกิดมีความยินดีเกิดฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาคือเกิดอิทธิบาทสี่ซึ่งเป็นคุณธรรม ที่สำคัญที่จะทําให้ผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาจิตใจของตนนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มีอิทธิบาท4ีแล้วการพัฒนานี้จะเป็นการยากมากแต่พอมีอิทธิบาท4ีพอมีฉันทากก็คือความยินดีความพอใจยินดีกับการปฏิบัติสมาธิมันก็จะเกิดมีวิริยะคือความเพียร มีความเพียรพยายามมากใครได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้ครั้งเดียวแล้วก็อยากจะได้ ก, ก็จะมีความเพียรพยายามมากมีความยินดีที่จะไปอยู่ที่เงียบเงียบระอยู่ที่อดอยากขาดแคลนความสุขทางร่างกายนี้ความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่กังวลจะสามารถฟันฝ่าความทุกข์ทางร่างกายได้เพราะว่ารู้ว่าความสิ่งที่สิ่งที่จะได้จากการ ต้องเจอกับความทุกข์ทางร่างกายก็คือความสุขทางใจมันจะทําให้มันไม่กลัวความทุกข์ยากลําบากทางร่างกายไปอยู่ที่อัตคัดกันดารอยู่ที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่เป็นไรอยู่ได้ขอให้เป็นที่ที่สงบเท่านั้นเถิดแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขนอกจากมีความสุขแล้วใจก็จะนิ่งเป็นอุเบกขามีอุเบกขาเกิดขึ้นมา อุเบกขาคืออะไรคือใจที่เป็นกลางใจที่ปล่อยวางใจที่ไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่ไปสัมผัสรับรู้เวลาได้ยินเสียงคนด่าก็เฉยได้เสียงคนชมก็เฉยเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เฉยได้ไม่เดือดร้อนนี่คือความหมายของอุเบกขาใจไม่มีการปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใครจะชมก็เฉยใครจะดาก็เฉยร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทนได้ไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้แต่หิวข้าวก็ทนได้นักปฏิบัตินี้บางคนถึงสามารถอดอาหารได้ทีละหลายวันเพราะการอดอาหารนี้มันเป็นการกระตุ้นให้มีสติมากขึ้นเวลาร่างกายหิวนี่มันจะทําให้ใจนี่มันมีความรู้มีตื่นตัวมากกว่าเวลาที่กินอิ่มอิม่สังเกตดู เวลากินอิ่มแล้วจะหาวขึ้นมาจะง่วงนอนขึ้นมาแต่ก่อนกินนี่มันไม่มันไม่ง่วงนอนมันหิวมันมันคิดแต่เรื่องของอาหารอันนี้แหละทาให้ผู้ที่ปฏิบัตินี้เวลาที่จะต้องการพัฒนาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอย่างรวดเร็วบางทีก็ต้องอาศัยการทรมานร่างกายเช่นการอดอาหาร เพื่อช่วยเป็นการช่วยกระตุ้นสติให้มีมากขึ้นช่วยกระตุ้นการภาวนาให้มีมากขึ้นเพราะเมื่อเมื่อร่างกายทุกข์แล้วจิตจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้จิตจะต้องใช้สติใช้สมาธิเพื่อมารับกับความทุกข์ทางร่างกายคือความหิวของร่างกายนั่นเองก็จะทําให้จิตมีความสงบมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็จะก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือ เรื่องของการทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิถ้าใจสงบนานๆเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเบื้องต้นนี้ใจสงบช่วงงูแลบลิ้นเราเรียกว่าคณิกะสมาธิชั่วฟ้าแลบแต่ถ้าพอเราฝึกสติต่อไปเรื่อยๆต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้งานได้นานขึ้นจากงูแลบลิ้นไปเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีหนาที10บนาที อันนี้ก็เริ่มแสดงว่าจิตเริ่มมีอัปปนาสมาธิแล้วถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆนั่งต่อไปก็จะนั่งได้ยาวเป็นหลายสิบนาทีอาจจะเป็นชั่วโมงก็มีบางครัง้งบางคราว น, นี่คือขั้นของการยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับของพรหมต้องใช้การเจริญสตินั่งสมาธิการถือศีลแปดและการไปปิดวิเวกหาฐานที่สงบสงด หลังจากที่เราได้ยกระดับจากเป็นพรหมแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องการยกระดับจากพรหมให้ไปเป็นพระอริยบุคคลาการจะไปเป็นพระอริยบุคคลได้นี้เราต้องเจริญปัญญาคือเราต้องพิจารณาอริยสัจสีกับไตรลักษณ์อ น, นิจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นว่าความทุกข์ของใจเรานี้เกิดจากความอยากต่างๆ แล้วความความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะดึงใจให้ลงต่าลงไปสู่ขั้นการมาพบคือไปสู่ระดับเทพระดับระดับมนุษย์ถ้าเราอยากจะรักษาใจให้อยู่ระดับพรหมนี่สูงกว่าเราก็ต้องใช้การเจริญปัญญาคอยสกัดความอยากต่างๆทุกครั้งที่เราใจอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็สอนว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป หมดไปแล้วก็ทําให้ใจหิวโหยอยากจะได้อยูใจก็จะไม่สงบใจก็จะเล่นลนอยู่เรื่อยๆถ้าต้องการให้ใจสงบอยู่เรื่อยไม่ไม่เล่นลนก็ต้องตัดความอยากไปให้ได้อันนี้ถ้าต่อไปตัดความอยากได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็จะสงบอยู่เรื่อยๆสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิด้วยซ้ำไปเพราะเหตุที่ทําให้ใจไม่สงบก็คือความอยากต่างๆนั่นเองลองกาจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้ ใจก็จะสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอันนี้ก็จะทำให้ใจเป็นพระอริยบุคคลขึ<ม>้นมะามีความสงบตลอดเวลามีสี่ระดับด้วยกันพระอริยบุคคลมีระดับโสดาบันสกิร ด, ดาคาอนาคาและอาหารหันต์คือความสงบที่มากขึ้นไปตามลำดับจนเป็นความสงบเต็มร้อยตลอดเวลาอันนี้ก็จะกลายเป็นพระนิพพานไป พอจิตสงบเต็มร้อยตลอดเวลาเราก็เรียกว่านิพานนิพานก็เป็นจิตที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะได้กำจัดความอยากที่เป็นเหตุพาให้มาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนั่นเองการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปใจก็จะอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดใจไม่ได้หายไปไหนเนะ การไม่มาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าใจหายไปใจไม่ได้หายใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ต้องมีร่างกายการมีร่างกายนี้สําหรับคนที่ยังต้องใช้ร่างกายหาเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่คนที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีภาระไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายถ้ามีร่างกายแล้วมีภาระต้องเลี้ยงดูร่างกายแล้วต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย คนที่ฉลาดจึงไม่ต้องการที่จะมีร่างกายสู้อยู่แบบไม่มีร่างกายและมีความสุขที่มากกว่าด้วยไม่มีความทุกข์เลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าและพระอรหันตา์ไร้บรรู้ถึงคือการที่การที่มีจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ปราศจากความอยากต่างๆจิตที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เป็นสิ่งที่จิตใจของพวกเราทุกคนสามารถทาให้เป็นอย่างนั้นได้เช่นเดียวกัน ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือยกระดับจิตใจของเราเป็นตามทีละขั้นไปขั้นต้นก็ยกระดับจากมนุษย์ไปเป็นเทพด้วยการทำบุญทำทานจากเทพก็ไปเป็นพรหมด้วยการฝึกสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิแล้วจากพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลก็ให้เจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจสีให้เห็นายรักในสภาวะธรรมทั้งปวง เมื่อเห็นแล้วก็จะปล่อยวางความอยากได้หยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากไม่มีความอยากก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจงให้ไปเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของวันพระที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้ศรัทธาญาติโยม ม, มาวัดมามาศึกษาและมาปฏิบัติกันเพื่อยกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพจากเทพให้ไปเป็นพรหมและจากพรหมให้เป็นพระอริยบุคคลตามลาดับต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวามวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังสปา ยันทปนาระโสยธามะนิโชติอระโสยธาสัพพิติโอวิวาชันตุสัพพโรโวินาสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิกสะนิจังวุฒาปะจายโน ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือถ้ามีมิวถือก็ส่งมาทางเพจทางยูทู e ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดกี่คนวันนี้ทาง ผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ531คน YouTube พระสุชาติไลฟ์275คน YouTube d กเตอร์วีช n นอล104คนวิทยุออนไลน์4 Clubhouse 12ผู้รับฟังหน้ากุฏิ132คนรวมทั้งหมด 1,058 ครับ <Okay. S 1> ครับคำถามจาก ผู้รับฟังด้านหน้ากุฏินะครับสองท่านคำถามที่หนึ่งถ้าหากการให้ทานด้วยการให้อาหารสัตว์และดูแลสัตว์จรจัดต่างๆคือบุญทำไมคนที่เปิดบ้านรับเลี้ยงดูแลสัตว์เช่นหมาจร จ, รจรัดแมวบางท่านก็มีแต่ความทุกข์ไม่สดชื่นแจ่มใสบุญที่ช่วยหมาและแมวจรจรัดไม่ส่งผลหรืออย่างไรครับ ส่งอยู่เพียงแต่ว่าความอยากมันมาสร้างความทุกข์ให้กับใจมาบทบางความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผูอ้อื่นนั่นเองยิงนั้นวิธีป้องกันไม่ให้ทุกข์ก็คือต้องอย่าไปอยากเกินกําลังทําเท่าที่เราทําได้บางทีอยากแล้วอยากจะช่วยสัตว์แล้วช่วยเหลือเขาไม่ได้เช่นเขาป่วยอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะให้เขาหายแต่ทํายังไงก็ไม่หายใจก็เลยเครียดเลยทุกข์ไปกับเขา พระเจ้าบอกว่าต้องใช้อุเบกขาด้วยในการช่วยเหลือผู้อย่อยาใช้เมตตาเพียงอย่างเดียวใช้เมตตามากเกินไปมันก็ทําให้เราทุกข์ให้เราเครียดเพราะเราอยากจะช่วยทุกคนช่วยทุกอย่างช่วยให้ดีแต่บางทีความความสามารถของเราหรือความเป็นไปได้มันทําไม่ได้เมื่อมันทําไม่ได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของเขาไปแต่ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมมันใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นไป ค, คำถามต่อเนื่องครับแล้วบุญจากการที่เราช่วยชีวิตสัตว์ให้อาหารสัตว์ที่ทำสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผลบุญบ้างไหมครับถ้าส่งผลจะส่งผลเช่นไรครับก็เราจะไปอยู่บนสวรรค์นานไงเพราะเราทำมากทำนานเราก็อยู่สวรรค์นานคำถามจากท่านที่สองครับเคยได้ยินญาติบอกว่าดื่มสุราเพื่อให้เลือดหมุนเวียนได้ดี หรือดื่มบ้างเล็กน้อยเพื่อรักษาโรคอยากถามท่านพระอาจารย์ว่าเราควรดื่มไหมครับถ้าดื่มจะผิดศีลไหมครับทางศาสนาก็ไม่มีข้อยกเว้นเรื่องการดื่มชลาว่าให้ดื่มเพื่อรักษาร่างกายเพราพระพุทธเจ้าคงจะฉลาดพอรู้ว่ามันมันรักษาไม่ได้หรอกถึงไม่ให้ดื่มเพราะโทษของการดื่มมันมันร้ายแรงกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มเพราะเวลาดื่มไปแล้วมันจะติด ตอนตอนก็ดื่ม น, นิดหน่อยพอดื่มไปแล้วครั้งต่อไปก็อยากจะดื่มมากขึ้นเพราะว่าผลที่มันได้แลบมันครั้งแรกมันเพียงแก้วเดียวก็ได้ก็รู้ผลแต่ครั้งที่สองดื่มไปแก้วแล้วรู้สึกเฉยเฉยต้องเอาอีกสักแก้วหนึ่งค น, คนส่วนใหญ่ดื่มกันก็เพื่อระบายความเครียดกันระบายความทุกข์กันพอดื่มไปแล้วครั้งที่หนึ่งมันก็แก้วเดียวแต่ครั้งที่สองนี่ต้องสองแก้วถึงจะหายเครียด ครั้งที่สามว่ต้องสามแก้วแล้วถึงจะหายเครยียดต่อไปก็รางกายจะติดสุราไปแล้วก็จะมีเลือเลื้อหลังแล้วดื่มมากๆ ก, ก็จะทำให้อาการมึนเมาไม่สามารถควบคุมการกระทำของเราได้ก็ถ้าเกิดจะคิดไปทำร้ายผู้อื่นก็อาจจะยับยั้งจิตใจไม่ได้งั้นอย่าไปดื่มดีกว่าได้ไม่คุ้มเสียไม่มีข้อยกเว้นในทางาศาสนามีวิธีรักษาร่างกายอย่างอื่นเยอะแยะไปไม่ต้องใช้สุราหรอก อันนี้มันเป็นข้อห้างของพวกที่อยากจะดื่มโซามากกว่าคำถามจากคุณวัสนาเหตุอันใดที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติลดเลิกความเพียรในการปฏิบัติเพื่อเป็นเผื่อเป็นความรู้จะได้ระวังไม่ให้มีเกิดขึ้นในใจครับก็การไม่สนใจ ไ, ไปสนใจเรื่องอื่นแทนใครปฏิบัติอยู่แล้ววันดีคดืนดีไปเจออะไรที่ชอบเข้าก็เลยไปสนใจกับเรื่องใหม่ที่ชอบ ก็เลยลืมเรื่อง ก, การปฏิบัติไปเช่นเคยปฏิบัติอยู่ตามลำพังพอไปเจอคนถูกใจเขา้าอยากจะเป็นแฟนกับเขาชวนกันไปเที่ยวอย่างนี้มันก็เลยลืมเรื่อง ก, การปฏิบัติได้ยังก็ต้องระมัดระวังว่าเราต้องพยายามรักษาการปฏิบัติของเราให้คงเส้นคงวาถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติแต่ไปเที่ยวกับใครก็ต้องต้องไม่ใช่เป็นเวลาที่เราใช้ในการปฏิบัติต้องอย่าเสียเวลาของการปฏิบัติไป คำถามต่อไปจากคุณสมศรีการใส่บาตรเป็นประจำทุกวันกับพระที่มารับบาตรกับการใส่บาตรทุกวันพระกับพระที่ไม่ได้ใส่ประจํามีอา น, นิสงส์ของบุญต่างกันไหมครับคือใส่กับใครนี้มีอา น, นิสงส์เท่ากันใส่กับพระที่เรารู้จักเมื่อรู้จักนี้ไม่ไม่สำคัญแม้แต่ใส่กับหมาก็ได้เลี้ยงหมาก็ได้บุญเหมือนกันอันนี้คนรับไม่เกี่ยวการทําบุญนี้อยู่ที่คนให้ ให้มากให้น้อยให้มากก็ได้บุญมากให้น้อยก็ได้บุญน้อยท่านั้นคำถามจากคุณประเสิดผมเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่จิตก็ยังไม่รวมเป็นเพราะอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับเราทำน้อยไปต้องเดินจงกรมสักสี่ห้าชั่วโมงดูก่อนลองไปเดินน้องสี่ห้าชั่วโมงนี้จะได้สติเยอะแยะเลยแล้วไานั่งสมาธิก็อาจจะรวมได้เลย ถ้าทำน้อยไปสติมันน้อยกำลังที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบมันมีไม่มากพอหมดแล้วเหรโอเคมีใครอยากจะถามยางไหมเพราะไม่มีจะได้เลิกประชุมกันเอาท่านี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ